วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งพวกเราพุทธศาสนิกชนถึงกันว่าเป็นวันมาฆาบุณน่ามีวันมาฆาบุณน่ามีตามการนิยมของพวกชาวพุทธ คือวันเดือนสามเพ็ญเรียกว่าเดือนมาทะวันมาทะที่หนึ่งหนึ่งที่มีห น, หนึ่งมาทะที่ว่าเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราคือพระองค์ทรงแสดงโอวทาทพาปฏิโมกข์ให้แก่พระีิอสุสง์ ในวันเดือนสามเพนซึ่งเป็นต้นบัญญัติของปาติโม่แต่ก่อนถ้าองค์ท่านไม่เคยบัญญัติให้พระิสูรสงฆ์ลงอุโบสถหรือประกาศโอวาทปาติโม่ท่านมาถึงวันเดือนสามเพนซึ่งเป็น เรื่องอะไรในศาสตรพระที่สูงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ล้วนแต่เป็นพระขีนาศกคือเป็นพร า, าระหันด้วยกันทุกองค์พระที่สูเหล่านั้นต่างท่านต่างองค์มาเองไม่ได้นัดแนะกันและไม่ได้มีบุคคลผู้ใดเชื่อเชิญมีมนต์เห้มามารวมกันที่วัดเบลวัน พระองค์ท่านเห็นพระรหันตีนาศกมารวมกันอย่างนั้นก็เลยาตรวจชาปติโม่แห่งชาติมสูเหล่านั้นระดับรับฟังทำอุโบสถสังฆ ก, กรรมอุโบสถสร้างนั้นจึงเรียกว่า <c oughs> เป็นที่สุดที่อุโบสถคือเป็นอุโบสถที่บริสุทธิ์ไม่มี พระอนาชาสกิษาคาหรือโตดาหรือปู่ทุชนแม่องค์เดียวในจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ห้าสิอ็ดองค์สัพพุทธเจ้าอีกจึงว่าการทำอุโมสดที่บริสุทธิ์ปุดของโดยไม่มีพระเสดาแม่แต่องค์เดียวแต่ชุมร่วม มีเสดระอาเซกคือพระศรีนาศกผูชินอาสวะด้วยกันทางนั้นรวมกันทําอุโบสถในศาสนาของพระสัมมาสัามพุทธเจ้าของเราจึงมีทั้งเดียวเท่านั้นนอกนั้นกานทรทําอุโบสถพระพุทธเจ้าองค์ทรงบัญญัติตั้งแต่วันนั้นมาให้พระที่สุผู้ถือพระพุทธศาสนาทําอุโบสถกัน หนึ่งเดียนเพื่อจิห้าวันทาหนึ่งแต่การทำวสุทหลังจากนั้นมาไม่มีการใดสมัยใดจะมีพระวินาศกรวมกันส่วนใหญ่ถึงชาฝังนั้นเหตุนั้นวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญท้ายกับว่าวันพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทพระปฏิโมก แ่เหล่าพิสุสงฆ์หนึ่งันสองห้าสิบองค์นั่นเป็นอย่างหนึ่งถึงถือ ว, ว่าเป็นวันมาพะเป็นวันสำคัญและวแตการที่สองก็คือวันนี้พระพุทธเจ้าของพวกเราทัท้งหลายได้ p รงอายุสั้งขานคือพระ อ, องค์ได้บอกล่วงหน้าก่อนจะไปนี้พ่านเียกว่า p r o l อายุสั้งขาน ว่าแจ่การนี้ไปแต่วันนี้ไปอีกสามเดือนเราแต่ผาคตจะปรินิพานพระองค์บอกหลวงนะแกพระที่สุสามเณรในสมัยนั้นเป็นวันสำคัญสองประการทิศลงอายุสังขารวันนี้และเป็นวันพระองค์สวจพาปฏิโมกแจกที่สูสงในวันนี้เหตนั้นพวกเราท่าน ที่อุตสาห์พยายามได้ทำการสักการะบูชา้วยอาเม์และปฏิบัติควรรละเลิกเลกคิดถึงพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสงฆ์ในสมัยเก่าก่อนซึ่งท่านมีความบริสุทธิ์กุญผองเป็นภักินาสุกและพระพุทธเจ้าก็าดีเหล่าอริยสงฆ์ก็ดี แผนปรนิพานไปแล้วยังเหลือแต่พวกเราถึ่งยังมีชีวิตอยู่และเป็นผู้ลุ่มหลงไปด้วยกิเลสตัณหามานะทกิติตา่างๆโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้แก่เ่าที่สุดส่งและอุบาสก อ, อุบาสิกาในวันนี้จึงเป็นโอวาทที่สำคัญที่สุดถือว่าเป็น หลักของศาสนาหรือหัวใจของศาสนาพระองค์กจ้าวาพระพุทธเจ้าในอดีตเพื่อที่ล่วงมาแล้วจะเป็นสี่ล้านสี่แสนองค์กว่าตา่างพระพุทธเจ้าจะมาตรัสในการข้างหน้าในอนาคตจะมีมากมายจ่ายกองสะทรยกว่าตา่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ยังเหลือทำำําคำสั่งสอน ให้พวกเราท่านได้พากันศึกษามีอโอวาสเหมือนกันทุกองโอวาสที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นหนักและแนะนพวกเราท่านทั้งหลายสัพส์ทั่วไปสอนให้พากันละจากความทั่วซึ่งทางบาลีมีบอกไว้ว่า สัพพะปาปัสสะารนังกุสระสาารรูปตสัมปทาใสจิตตปริโยธาปานังเอตังพุท ธ, ธานาสาเนนังคำสอนให้ละชั่วบำเพ็ญดีและทำจิตใจของตนให้่องแขว้วสามคำนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทเจ้าทุกทุกพระ อ, องค์จะล่วงไปแล้วว่าตามจะมาตรัในการข้างหน้าขอดตามหรือปัจจุบันกอตาม คำสอนทั้งสามข้อนี้มีสาคัญอย่างไรพวกเราท่านควรสนใจควรชีนิสิเตเจรนะิญนาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามากมายไก่ฟองทำไมถึงเดินลงมาได้เพียงสามข้อเ่านี้กอเพราะว่าคําสอนทั้งสามข้อนี้อมเอาคําสอนทั่วไปทั้งหมด ทำบ้างให้ร้ายชั่วหรือให้ล้าบาปทางกายทางวาจาทางจิตจะเป็นคนก่าตามเป็นสัตว์ก่อตามขึ้นชื่อว่าชั่วหรือบาปหรือทุกข์หรือไม่ดีต่างท่านต่างคนต่างไม่ชอบต่างคนต่างไม่พอใจต่างคนต่างไม่ปราถนาเศษ น, นั้น คำสอนของพระพุทธเจ้าที่บังเหละชั่วเหละบาปคือละความไม่ดีซึงเกิดขึ้นจากกายบาจาใจความไม่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากวินฟ้าอากาศไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเกิดขึ้นจากการกระทำการพูดการคิดการกระทำของเราสิ่งใดเป็นไปเพื่อ เบียดเบียนบุคคลผู้อื่นเป็นการฆ่าตีหรือลักขโมยกล่นจะดมต่างๆเรียกว่าชั่วควางชั่วเหล่านี้ถ้าหากเรามีอยู่ในสายของเราเราควรละเวน้นเึงสังวรละวันเพราะกามชั่วเหล่านี้ จะ ต, ตามแผดเผาตัวของเราให้ได้รับทุกพระพุทธเจ้าจึงห้าไม่ให้สัตว์ไม่ให้บุคคลแต่ทำถ้าทําลงไปกรรมชั่วจะติดตามได้ผลถึงใจของเราชอบอยากจะทําในกรรมชั่วแต่เช่อว่าเมื่อที่นิพพานเห็นผลของกรรมชั่วว่าจะแผดเผา พนตัวขอเราเดือดร้อนเราก็ควรระวังสังวรไม่ทําเหมือนกันก็ว่ายาพิษเสือมน้าตาลถึงรสภายนอกจะมีรถหวานแต่เท่าที่ให้ผลเป็นทุกข์หรือถึงแก่ความตายสาหรับกลุ่มเหม่ที่นี่ที่เจนะครับประทานยาพิษลงไปจะเห็นว่าภายนอกมันมีรถหวานแต่ภายในมันเป็นยาพิษความทั่วที่พวกเราไม่นึกคิด กล้าที่ทำาต้าพูดต้าคิดก่อเหตุที่จิตของพวกเราไม่อย่างรู้ว่าความสั่วเหล่านั้นจะเหิดผลแก่ตนของตนอย่างไรจึงกล้าจะทำลงไปด้วยความเต็มใจของตนเมื่อความทั่วให้ผลเกิดความทุกข์เดือดร้อนยิงใจตัวเอาเมือปลายมือ เราเรื่องความทั่วถ้าหากแตตัวเอาตอนใส่ผลตอนเหตุไม่ตัวความชั่วเหล่านั้นก็จะไม่มีทางแก้ไขได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุเราทำเอาแล้วเหมือนกันกับเราดื่มยาคิดลงไปแล้วพอถึงท่องของเราหรือยาคิษกระจายไป ต, ตามสารพังร่างกายของเราจึงเข้าใจว่าเป็นยาคิด แก้ไขไม่ตกถ้าหากยังลืมเข้าไปเข้าใจว่าเป็นยาคิดเรารีบหายาถ่ายชนิดแรงระบายออกเสียอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วไม่ถึงกับความตายถ้าหากมันกระจายออกไปหรือลืมเข้าใจว่าเป็นยาที่มีคุณไม่เป็นโทษแก่ตน พอดื่มเข้าไปรับฐานเข้าไปยานั้นให้โทษกระจายออกไปสู่สารพานตายแล้วจะหายาถ่ายมาขับออกก็ไม่หายคนนั้นจะต้องตายเนี่ยมีความชั่วทั่วไปที่พวกเราไม่เข้าใจว่าจะให้ผลแก่จนทน้องจนกล้าจะทำกล้าพูดกาคิตก็เหมือนกันกับยาทิศที่เชื่อบน้ำตาล ภายนอกมีรสหวานแต่ภายในเป็นยาคิตพวกเราเมื่อนึกคิดและทิศนิทิจไรนาเห็นแบบความชั่วที่ตัวข่องตัวจะททำลงไปไม่พูดออกไปคิดออกไปจะให้ผลเป็นอย่างไรแก่ตนของตนเมื่อให้ผลเป็นทุกข์ถึงใจใจชอบอยากจะททำแต่เทว่า ผลรามที่ตนจะได้รับเป็นทุกข์ลำบากเราก็ห้ามกั้นเอาไว้ไม่ให้กายวาจาใจไปกระทำบุคคลผู้ใดไม่กระทำความชั่วความชั่วย่อมไม่ตามแผดเขาพระพุทธเจ้า จ, าจงึงแนะนำให้ละเว้นจากความชั่วสิ่งภาษาไทยของเราเรียกว่าบาปเพราะบาป ด้วยความชั่วให้คนเป็นทุกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนแห้ละทวาชั่วอย่างนี้จะมีความชั่วอื่นๆซึ่งเราเห็นกันมากมายก่ายกองต่อตามก็ได้ชื่อว่าความชั่วคราชั่วนั้นนั้นพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ไม่ให้ใครแต่ทำมเาเพ็ญหากบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนพื้นธรรมบุคคลผู้นั้น ก็เมื่อคือว่าปาาระพฤติปฏิบัติตามาคำคำสั่งสอนของพระ พ, พุทธเจ้าเมื่อไม่ประพฤติตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับบุคคลที่ไม่เดินตามถนนคนทางก็ไม่รับความทุกข์ความลาบากยากเย็นเป็นธรรมดาเพราะไม่มีถนนคนทางย้อยเจ็บตกหลุ่มตกบ่อหรือเหยียบหลักเหยียบต่อเหยียบหนามเป็นต้น การไม่เดินตามถนนห่อทางได้รับความลําบากยากย็นอย่างนั้นฉันใดบุคคลผู้ไม่ประพฤติตามธรรมในของพระพุทธเจ้าก็ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเหมือนกันกับบุคคลผู้ที่เดินนอกถนนเมื่อเป็นเช่นนั้นทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมายไก่กองก็คือให้ละชั่วเป็นตัวสําคัญถ้าละชั่วได้แล้ว รีดกต่ทำบาเพ็ญคุณงามความดีสึงเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลกุศลสูไปตไปาประทาคุณงามความดีจะเป็นความดีด้านไหนก็ต่างถึงจิตใจของเราจะไม่ชอบจิตใจของเราจะไม่ยินดีจิตใจของเราจะไม่พอใจในการจะททำบาเพ็ญแต่ถ้าว่าผลความดีที่จะมาสู่ตนของตน เรามองเห็นผลเราพอขาดคิดได้แต่ความดีที่เราไปทําลงไปจะให้ผลเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนั้นก็อพากันแต่ทาบำเพ็ญถึงจะไม่ชอบใจไม่พอใจก็ไปทาบาเพ็ญเพราะความดีให้ผลแก่บุคคลผู้กระทาทุกรลยไปให้ผลเป็นสุข ไม่มีทุกข์เดือดร้อนเดือดเดียนแ่ตนท่องตนความดีเหล่านี้แหละท่านผู้ใจจัเรียกว่าเป็นทางสุรสนให่พวกเราเรล่ธธาผู้ใสายชนไก่ชนจะทำบำทําเพ็ญจะเป็นความดีด้านทานก่อตามความดีด้านศีลก่อตามด้านภาวนาก่อตามให้เียุดจะทำบำทําเพ็ญให้เกิดให้เป็นขึ้นในกายในวาจาในใจท่องตน ้าหากเราเมินเฉยไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ทำตามอวาสของพระพุทธเจ้าความดีเราไม่มองดูเราไม่เข้าใจเราไม่อยากจะททำแต่ความชั่วที่ท่านห้ามเอาไว้พอใจยินดีแล้วจะไปตำหนิทำของพระพุทธเจ้าอ่ะทำไม่ถึงให้ผลเป็นทุกอย่างนี้ เราก็ต่างหน้าต่างตาเพฤ่ิปฏิบัติระดับรับคฟังอยู่แต่เราทำไมเด็กฝนเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุว่าเราละความดีไปประพฤติความชั่วจิตใจจึงเกิดความลุกยากลำบากรุ่มร้อนต่างๆหากเราละชั่วไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วเราละเลึกเลกอยู่ ในทางคุณงามความดีคือบุญคือกุศลสม่ำเสมอไปตั้งใจละลึกถึงการให้ทานที่เราให้ผ่านมาหรือการข้างหน้าเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่เราจะอุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีเพื่อจะจะทำำําบําเพญทานบารามีเรื่อยไปหรือศีลบารามีเรื่อยไปเราตั้งใจละลึกนึก ถึงการจะสร้างความดีในอนาคตรหรือปัจจุบันเราระลึกนึกอยู่ในการบุญการกุศลคือการให้ทานของตนและรักษาศีลของตนภาวนาของตนการให้ทานในปัจจุบันเดียวนี้เราให้ทานอย่างไรบางท่านบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าเราได้ให้ทานเราให้ทาน หลายอย่างที่เราเข้ามาสู่วัดสู่วะสู่พระศาสนาในเดียวนี้พอาปกติเราอยู่บ้านอยู่ช่องของเราบึกดื่นขนาดนี้ก็จะมีการหลับการนอนหรือไม่อย่างนั้นาะจะมีการทำการทางานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นี่ที่เราเข้ามาในวัดในวาเราได้ให้ทาน การหลับการนอนเราก็ไม่ได้หลับได้นอนตามปกติที่เราชอบการนั่งหรือเราก็ไม่ได้นั่งตามอําเภอใจของเราเพราะเขาวัดเาวาจิริยามรยยารยากการนั่งก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้นั่งเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ได้นั่งตามความพอใจของตนนี่ก็คือการให้ฐานของเราตามนั่งเราก็เคยนั่งสบายแบบไหนเราเขาวัดเขาวาเราก็สลับ ให้่านไปนั่งด้วยความเคารพนอนก็เหมือนกันเราอยู่บ้านอยู่ช่องของเรานอนมีปลูกมีเบาเรามาวัดมาวานอนเตือเราก็ได้ซึ่งว่าเราให้ทานไปหินหรือเราก็ได้รักษาตามอำนาจบาดชนะตามความสามารถของเราเหตนนั้นเราเข้าวัดเข้าวาปัจจุบันเดียวนี้ เรามีการใ ห, หานมีการรักษาศีลคือวาจาของเรากายของเราจึงเป็นตัวศีลอยู่แล้วตายของเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปรับส่งส่สิ่งบุคคลพูดใดไม่ได้ไปล่วงเกินปรืเวณี่ของไทยเรานั่งปกติศีลของเรามีแล้วสมบูรณ์ในกายของเราไม่ได้ไปบุกทิดชั่วทิศศีลแม้แต่ตัวไหนและทางวาจาของเราเราก็ไม่ได้พูด ามออกไปโกหกพกลมแจกใครเงียบสงบอยู่จึงว่าศีลของเราบริสุทธิ์ดีอยู่แล้วภาวานาเราจะทำจิตทำใจของเราให้กล้าแน่ในคุณงามความดีอย่างไรเราเคยมีจิตมีใจส่งพุ่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเยวคิดในการงานบ้านเรือนต่างๆ เมื่อเราเข้ามาวัดมาวา่ามาจำศีลภาวนาเป็นการเป็นเวลาการคูยคุยด้วยการเนื้คิ ด, รคดเรื่องจิตของเราถ้าหากเราไม่มีสติไม่พินิจพิจารณาจะทรงกระแสจิตติดตามเรื bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum <im aa> ่องสัญญาอารมณ์ต่างๆแต่พอมาถึงวัดถึงบามาถึงาศาสนามาสดับรับตังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องรวมจิตเอาไว้ มาให้ิติดตามสัญญาอารมณ์ต่างเพราะสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นเราเคยคิดเคยปลุกมาเป็นเวลานมนานเวลานี้เรามาพักผ่อนหย่อนใจมาทำความสงบจิตใจเราจะเอาคำบริกรรมประกอบเอาไว้เพื่อจิตใจของเราไม่ให้สายแสบไปตามกะระแสของอารมณ์หรือเราจะเจริญนา อาไว้ยวะของเราบางแต่ผมขนเล็บฟันลงไปทั่วเส้นทางร่างกายก็ได้หรือจะจับแหงไดแหงหนึ่งเป็นต้นแบผมก็อตามขนก็อตามหรือจะจับเอ็นกระดูกที่ไหนมันชัดแตจากในจิตในใจของเราจะทาใจของเราให้อยู่เพราะจิตของเราถ้าไม่มีเครื่องหูกมัดเอาไว้ จะเละล่อนสัญจรไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพระพุทธเจ้าห้ามกัน้นไม่ให้จิตของพวกเราท่านวิ่งว่อนออกไปสู่สัญญาอารมณ์ให้ผูกด้วยสติให้มีปัญญาแนะสอนอบรมสม่ำเสมอไปจิตใจเมื่อถูกทำได้ถูกสติถูกปัญญาแนะนำสอนอยู่ จิตใจที่เคยวิ่งว่อนสัญจรออกไปตามสัญญาอารมณ์ก็จะนิ่งอยู่เฉยอยู่เมื่อมันนิ่งอยู่เฉยอยู่ในสัญญาหรในอารมณ์ที่เป็นธรรมเมื่อมันนิ่งได้านานเข้าไปเราถูกแหนสอนบ่อยๆจิตใจพวกเราจะค่อยละเอียดเข้าไป ความละเอียดท้องใจละเอียดเข้าไปเท่าไรความสุขข้องใจจะเกิดขึ้นจะเห็นขึ้นความเบาความสบายปกติจิตใจที่สายแส ต, ตามกระแสะของโลกตามกระแสะของว <c oughs> ิเลตปัญหาเราไม่เคยวางภาระเคยแบกเคยหามอยู่ทุกการทุกเวลาแล้วไม่รู้จักว่าสิ่งนั้น มันหนักหน่วงท่วงจิตใจของเราขนาดไหนจึงไม่เคยเบื่อหน่าจึงไม่เคยกลัวตายไม่เคยยอมเสียสละถ้าหากเรามาภาวนากำหนดพุโทโธทมโมสังโฆหรือกำหนดผมขนแล้ฟันหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไว้จนจิตใจของเราได้รับความสงบลงรวม ขาดจากการปรุงแต่งต่างๆจิตใจของเราจะรู้จักว่าการนึกคิดติด ต, ต, ตามสัญญาอารมณ์หน น, นั้นมีความทุกข์ยากลําบากเหน็ดเหนื่อยมากเมื่อเรามาวางภาระคือการปรุงแต่งนึกคิดจิตโดยรวมลงไปเสวะขณะเวลาจะเป็นคณิกะหรืออุปจาระก่อตาง เราจะเห็นอเน้สงไปจากชัดเจนขึ้นในจิตของเราว่าจิตเมื่อขาดจากสัญญาอารมณ์มีความสุขอย่างนี้ยิ่งตามคำสีพระพุทธเจ้าแนะนจริงจังความสุกส่วนนี้ไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่มีเงินทองเข้าของจะประสบภพขิม น, นอกจากนักบำเพ็ญทางภาวนาทางสิตทางใจเท่านั้นเราจะเชื่อมัน่น ในโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามีเรียกว่าเราบำเพ็ญทางบุญทางกุศลเรียกว่าเราทําถูกตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสี่ว่าขุสรัตสูปิสัมปิทาร์ที่ประกอบอจิตใจไม่ให้สายแสไปตามกระแสท้องโลกตามเบื่องของจิเลตปัญหาอุตส่าห์พยายามปลอบใจของตน ในเหนือเวลามันเพิดเพินหรือมันทะนงตัวบางที่จิตของเรามาอยากนึกคิดไปว่าผู้สนทุกสิ่งทุกอย่างการให้ทานแล้วก็กคยทำบาเพ็ญมาทุกวันทุกเวลาการรักษาศีลเราก็เคยได้รักษาการภาวนาเราก็ได้บาเพ็ญเราเลยลืมตัวว่าตัวเป็นคนเก่ง คนดีวิเศษถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราต้องข่มจิตของเราว่าว่าการแต่ทำบําเพนของเราจะเป็นด้านให้ทานก่อตามรักษาศีลก่อตามบําเพนภาวนาก่อตามยังแม่เจียงพอบอริบูรณพระพุทธเจ้าพระองค์แต่ทำบําเพนมากมายกายฟางยิ่งกว่าพวกเราจึงจะเป็นศาสดาของพวกเรา พวกเราให้ทานขนาดนี้รักษาศีลสสนขนาดนี้หรือบําเพ็ญภาวนาขนาดนี้ยังไม่ถึงที่ถึงฐานถึงที่สุดที่มุดอย่างขพระพุทธเจ้าเราไม่ควรจะประมาทเมืเินเฉยไม่ควรจะลืมตนให้ข่มจิตค่มใจของตนอย่างนี้เมื่อจิตของเราถูกข่มอย่างนั้นจะยึดมั่นในคุณงามความดีที่ยังไม่ได้ไม่ถึงให้ได้ให้ถึง ถ้าหากเราจะลืมตนว่าอะไรทุกอย่างเราได้แก่ธทรมบำเชนบุคคลจำนวนมากในหมู่บ้านของเราจะเขาวัดเขาวาจำศีลเทวานาเหมือนเราหายากมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นเป็นปุบเปรศพิเศษเขาวัดเขาวาจำศีลเทวานาดัจิตใจของเราได้เถอไปในทางจะลืมนึกคิดถึงธรรมอันสูงขึ้นไปฝ่านั้น เด่นนั้นิึงขมเอาไว้เมื่อจิตใจของเราชนงอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราเหงาหงอยแล้วเล็ดนึกถึงคุณงามความดีอะไรไม่ด่ก็พยายามยกจิตขึ้นมีการภขาวัดเวาจำศีลภาวนามีชีวิปิวาเป็นอยู่ไม่ไต่อมาอุตส่าห์พยายามทำตามโมวาดของพระพุทธเจ้า หายากหนักยากหนาคนที่จะได้เข้ามาเพืพอปฏิบัติตัวอย่างเราให้ยกจิตท่องตรงสิ้นอย่างนั้นถ้าหากเมื่อเวลาจิตหงอยเหงาเรายิ่งไปเหยียบไปเหยียดลงไปจิตใจของเราจะได้รับความเดือดร้อนเหตุนั้นท่านจึงให้ยกในเวลาที่ควรยกขมในเวลาที่ควรขมเมื่อพวกเราพยายามทำตามอวัตของพระพุทธเจ้า ทั่วทั่วไปพวกเราละผอนดีทั่วไปจะทํากายว า, าจาใจของเราให้เกิดให้เป็นให้เห็นขึ้นมันชาระสาสาจิตใจของเราที่เราร้อนไปด้วยกิ่เด็ตัญหาให้ตกออกไปให้หมดออกไปอย่าให้จิตใจเกี่ยวข้องยิ่งหมวดสุม่มกับเรื่องของ ความขวต่างๆหรือเรื่องของโลกเมื่อเราทำได้อย่างนั้นก็ถูกต้องตามคำสอนของพระเจ้าว่าทำจิตทำใจของตนให้ยิ่งจิตยิ่งเป็นของสำคัญจิตผ่องแผ่วจิตผ่องใสเป็นเป็นของสำคัญเพราะจิตเมื่อได้รับความฝ่องใสเมื่อได้รับความสงบเมื่อได้รับความสุขใจ เราจะอยู่สถานที่ใดมีความสุขความจเจริญจะอยู่ในโลกโลกก็เป็นโลกที่มีความสุขจะหนีจากโลกก็เลยชื่อว่าความสุขติดตัวของเราไปพอเราเป็นคนสุขแล้วจะไปสถานที่ใดมีความสุขเลื่อยไปถ้าเรามีความทุกข์ใจจิงอะไรจะหมากไมา้ไกา่ ก, กองอยู่ในโลก ก็ไม่มีความสุขยังจะทุกข์ใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละบ้านใจใหญ่ตัวเราโหรฐานสะเท่าไรก็าตามเท่าของเงินทองจะมากสะเท่าไรก็าตามถ้าหากทุกข์ใจแล้วไม่มีความสุขเพราะริ่งเหล่านั้นไม่ให้ความสุขแก่ใจได้เป็นทุกข์ใจอย่างเดียวทุกไปหมดไมนว่าดินฟ้าอาจาศหรือบ้านสองเข่าของทุกอย่าง เป็นทุกข์ด้วยกันเพราะอำนาจจิตเป็นทุกข์ถ้าหาจิตเป็นสุขจะไม่มีอะไรกวาตาก็มีความสุขอยู่ตามสถ า, านที่ใดในป่าในเขาในถ้ามีความสุขสม่ำเสมอไปความสุขของใจจึงเป็นความสุขอันยอดเยียบพระพุทธเจ้าหรือพระเรียจ่าท่านไปศพพราะเห็นความสุขของใจ ท่านจึงไม่กรเบหรือเหอเหิมตามเรื่องของโลกแต่พวกเราท่านทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นหลงกันในเรื่องของโลก้าใจว่าได้อันนั้นจะมีความสุขได้อันนี้จะมีความสุขแต่ความปรุงแต่งความนึกคิดความอยากของพวกเราที่ขาดเอาไว้ว่าจะเป็นความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเราได้มาไม่เป็น กอย่างนั้นกลับเป็นทุกแก่ใจของเราเพิม่มทวีคูณขึ้นไม่มีสิ่งใดจะทำความสุขให้แ่ใจได้สมปรารถนานอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราํำระจิเลสตัณหาจิเลสไม่มีอยู่ในสถานที่ใดตัณหาไม่มีอยู่ในสถานที่ดใดต้นไม้ภูเขา ไม่ใช่ตัวจิเลียตันหาตัวจิเลียตันหาอยู่กับจิตกับใจของเราเสมอเหตุนั้นการชำระจิเลียตันหาจึงจะควรชำระเรื่องใจเดี๋ยวนี้จิตใจสายแสไปในเรื่องอะไรเป็นไปเพื่อการแก้ไขนี่เป็นไปเพื่อความผูกมัดตัวเองไปสืบสอบพินิจพิจารณาเรื่องของใจของตนถ้าผู้ใดหมั่นพินิจพิจารณา ใจของตนสม่ำเสมอไปจะเห็นทางแก้ไขและเพิ่มเติมส่วนใดที่ควรแก้ไขให้จิตใจได้รับความเบาสบายก็แก้ไขไปส่วนใดที่ควรเพิ่มเติมให้จิตใจมีกําลังส้างฐานก็เพิ่มเติมขึ้นนี่เลยคือว่าการรักษาจิตรักษาใจด้วยการภาวนาถ้าหาก ไมททำอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านจะให้เป็นไปเองดีไปเองสูกไปเองไปเสร็จไปเองหลุดรอยไปเองจากโลกเป็นไปไได้พระพุทธเจ้าสั่งพระบรารมีมาตั้งนมนานเป็นเวลาหลายกลับหลายกันแต่ถึงอย่างนั้นก็อาศัยการกินิพพเจนะอาศัยสติปัญญาอาศัยการภาวนาะ จะทำบำเพ็ญจิตพระพุทธเจ้าจึงหลุดรอยไปจากโลกได้กิเลสปัญหาจึงตกออกไปจากใจนี่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรแก่ไปกิเลสจะหลุดไปเท่าไปกิเลสจะหายไปปัญหาจะหมดไปไม่เป็นอย่างนั้นการกระทำบำเพ็ญทางด้านภาวนาจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราทุกท่านไม่ควรประมา เพราะเรากอพอจับที่นิพิจาณาได้แต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้กิเลสตัณหาของเราเป็นอย่างไรเรายังไม่เขาวัดเขาวาหรือเราเขามาวัดมาวายกิเลสตัณหาตกไปอย่างไรควรจะสืบสอบจิตใจของตนไม่ควรเมินเฉยหรือประมาทถ้าหากบุคคลผู้ใดมันสืบสอบหรือพิจารณาอย่างนั้นก็จะได้ความรู้ความสละจากการ การทาบำเพ็ญทองสอนเมื่อได้ความรูความตลาดเห็นผลจากการกรรทาก็จะมีความหมั่นความขยันในการกรรทาต่อไปเมื่อถูกระทาอยู่บ่อยไม่หยุดไม่ถอยเรื่องกิเลสตัณหาค่อยหลุดลอยออกไปตงออกไปทุกวันทุกเวลาก็มีการมีเวลาที่จะพ้นไปจากกิเลสได้ ถ้าหากเราไม่สืบสอบไม่ำํำระสาสางคอยแต่จะให้มันจบออกไปโดยถ่ายเดียวด้เหตุที่ตนจะำํำระสาสางไม่มีเหตุที่ตนจะบาเพ็ญไม่มีพูดถึงความผาาความเทียนทางจะำํำระสาสางไม่มีพูดถึงความอดความทนในการจะจะทำความดีไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้กิเลสมันไม่กลัว มันจะหัวเราะเพราะยิ่เลดติดตัวกบตัวคนที่มีสติปัญญามีความผ่าความเียนมีความอดความทนแต่โดยส่วนใหญ่เราจะชั่งจิตใจของเราได้โดยเฉพาะตัวเมื่อเราพูดอย่างอื่นคิดอย่างอื่นหรือดูอย่างอื่นฟังอย่างอื่นเช่นดูหนังฟังเพลงต่าง ดูกันตลอดวันตลอดคือไม่เบื่อแต่การฟังเทศฟังธรรมพอนั่งกำหนดจิตเข้าไปรู้สึกว่ามันง่วงเหงาหานอนหรือปวดแสงปวดขาเป็นไปต่างๆนาน า, นาถ้าเป็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าจิตใจของเรายังต่บยังตัวอยู่เพราะทางของโลกมันชอบ มันทาได้ทางของทำถึงเป็นทางทสํลระสสางจิตใจพอกำหนดเข้าไปรู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงมันลำบากลำคาญแสดงอากัปจิริยาท่าทีขึ้นมาทุกสิ่งทุกประการเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องลงทุนลงแรงอุตสาห์พยายามหากเทียนเข้าไปอดเข้าไปคนเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านอดท่านทนสละชีวิตจริงจังท่านจริง ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออริยส า, าวกทั่วไปโดยส่วนใหญ่พยายามบังคับกายบังคับใจจริงจริงจังๆจังท่านจึงมีความรู้ความสลดหรือหลุดลอยออกจากที่เหลืตสัญหาได้เมื่อเราทำขนาดนี้ชั่วระยะเวลาน่กีนาทีชั่วโมงเราก็เห็นแล้วอ่ะมันลำบากมันเป็นทุกข์เราวเราจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะกี่พบกีชา จะไม่ลําบากเหลือการร่วมการตายหลายพบหลายชาติกับเราจะมาสู้ากาจัดจิเลตปัญหาเอาจิตเอาใจพักใสในธรรมในสำลักสาสางอดทนเพียงแก่นี้จะสู้มันไม่ได้ไหนเราจะกล้าไปเกิดไปตายหลายทั้งหลายผลในสอนตนอยงนอุตสาหพยายามทำจริงจงจังๆมัดผล มันจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นจากความที่ทำจริงเพราะกิเลสมีอยู่ในจุดใดมรรคผลจะเกิดขึ้นจากจุดนั้นถ้าหากเราทากันจริงจังเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นทำที่ฝากจากความตายไปจึงเรียกว่าวีสุทธิธรรมหรือบีมนุนติพาน ทำที่ม่นมีการเกิดการตายต่อไปเราจะต้องข้ามจากความตายไปเทียวก่อนเราห่วงเราห่วงอะไรไม่ห่วงไม่ห่วงเท่ากับชีวิตของเราเท่ากับความตายของเรากลัวอะไรก็กลัวาตายถ้ากลัวาตายแล้วจะหนีจะตายไปเม่ได้ทําจนไปเลยตายไปสิ่งใดที่มันเหนือตายเราจะรู้จักสิ่งใดที่มันตายมันตายไป ขาดขันหรืออะไรมันจะตายจะแตกไปให้มันแตกไปต้องตั้งใจแบบนี้ถ้าเม่ทำแบบนี้การที่จะไปเห็นมรรคเห็นผลเห็นความหุดลอยออกจากโลกจากโซสารเห็นได้ยากถึงจะสงบสงัดเป็นบางการบางเวลาก็สงบสงัดจริงแต่เท่อว่าการ้นไปจากตายยังไม่จบไม่เป็นของสำคัญจิตใจจี่ สงบสงบดโนรวมด้วยความเป็นเองกับการต่อสู้การเสียสละกิดกันคนละโลกมันต่อสู้เสียก่อนจึงมีชนะเรากลัวทุกจะข้ามทุกไปอย่างไรเรากลัวตายทีนี้จะตายไปได้อย่างไรเราต้องสู้กับทุกสู้กับตายเสียก่อนจึงจะชนะตายได้จึงชนะทุกได้ทุกมันมีอยู่ที่ไหน อะไรเป็นทุกข์สลามันบอกว่ามันเป็นทุกข์ไหมดินฟ้าอากาศมับนบอกว่าเป็นทุกข์ไหมก่อใจของเราเท่านั้นที่เป็นทุกข์เมื่อเรารู้จุดของธรรมที่พระพุทธเ จ, จ้าเนี้ยสอนคือสอนลงที่ใจของเราอย่างนี้ก็อพากันทีนี้พิจรารณาจะทำความกล้าหาบากบัน่นพยายามําละสิ่งที่ชั่วบำเช็สิ่งที่ดี ให้เกิดให้มีพมีคูนขึ้นจิตใจไม่อยากจะให้ทองไสจิตใจไม่อยากจะให้หลุดลอยจะจากที่เหลวก็จะหลุดลอยออกไปเองพอเพราะเหตุว่าเมื่อหมดเหตุหมดผลแล้วที่เหนือเหตดเหนือผลตนของเราจะรู้จักในตัวของเราเองเหตุนั้นจงพากัาร้าหานจะทําบําเพ็ญจริงจังทําไม่ได้ เป็นสมบัติของบุคคลที่โง่เง่ า, งาเตา่าสุนทราำไม่ใช่สมบัติของบุคคลเกียดติ้าทำไม่ใช่สมบัติของคนโง่ทำเป็นสมบัติของผู้ที่มีความอดความทนความผาดความเพี่ยนเหตุนั้นเราท่านที่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระศาสดาถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเราจะจะต้องประพฤติปฏิบัติตามาคำคาสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นปฏิปฏิบูชาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะวันนี้เป็นวันสาคัญคือเป็นวันมาฆบูชาเราบูชาด้วยดอกไม้ถูกเพี้ยนเราก็ได้บูชามาแล้วการบูชาด้วยการเสียสละวิเลตันหาทีวิตชีวาของเราเราจะต้องบูชาอีกทอดหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปฏิบูชาเป็นบูชาอย่างยิ่ง เมื่อพวกเราทั้งหลายได้จะ่ทำบำทําเพ็ญตามโววัตของพระพุทธเจ้าคือการสระความชั่วบําเพ็ญความดีและทำจิตของตัวให้ของแควได้อย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในอวาสานการอธิบายธรรมนี้ <c oughs> ขอคุณพระศรีรัตนกไกลและบุญกุศลทั้งหลายยง ร, รักษาพวกเราทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจปราถนาจิตใดขอสิมนั้นจงัคาร็จตามความหมุ่มาปราถนาทุกสิ่งทุกประการนั่งรับประทานแสดงมากอเห็นว่าสมควรเจรละเยวัง